ถ้าถามว่าโรคในโลกนี่มมีเท่าไหร่อุบัติเหตุในโลกนี้มันมีเท่าไหร่ความเสียหายอันตรายการเข็นการฆ่าการลักการขาารารารรโมยการประพฤติผิดในการการดื่มเหล้าเมายาเป็นที่มาแห่องอุบัติเหตุทุกชนิดมันโลกของรูปทั้งนั้นแหละเนี่ยนะเป็นโลกของรูปเป็นโลกของวัตถุทั้งนั้นถ้ามีวัตถุนั่นแหละมันจึงมีสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เพราะมีมหาภูติรูปมีดินมีน้ํามีไฟมีลม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 แตนะั่บอกว่าโอ้ไม่เชื่อง่วงๆเอาว่าขอให้มีอำนาจไม่เปลือกตาเด้อมันจะยกขึ้นไหมนาะเอ้ยกมาขึ้นหนักจริงเห็นไหนะอเคยป่วยไม่บอกป่วยนะั่มจะรู้ว่าโอ้ยทุกแพ้ทุกแพ้แพนี่ยนะมี ม, มีมีอำนาจอะไรในรูปบ้างหัวเอ้อย่าปวดนักเลยฉันก็ดูแลมาอย่างดีนะฟานอย่าปวดนักเลยเนี่ยนะอย่าเมื่อยที่อย่าอย่าเครียดเกิความดันให้มันพอดีพอดีที่มันขึ้นมากทําไมอย่างเงี้ยนะคุยกันไม่รู้เรื่องอ็เชื่อ มันก็ไม่มีใครมีอํานาจอะไรอยู่ในนั้นจริงๆอะไรหรอกอย่าปวดหัวอย่าตัวร้อนอย่าเป็นไข่อย่า IC ไอสิไอครั้งเดียวก็พอแล้วเนี่ยนะเศรษฐ์อย่าออกมากสิออกหน่อยๆก็พอลแล้วให้มันแข็งแรงอุ้ยคุยกันไม่รู้เรื่องหรอกอย่าหิวเอ้าเมื่อเช้าประธานให้แล้วนะอะไรงี้นะเมื่อวานก็ท่านทานให้แล้วเอาอีกทําไมอย่างนะไม่รู้เรื่องบอกมันมันรู้เรื่องขนาดนั้นไม่ได้ดิบได้ดีเป็นดาแล้วเจ้ามันไม่ฟังหรอกเพราะมันไม่มีเครื่องหมายว่าอัตราอะไรอยู่ในนั้นรอ ไม่มีผู้ใดมีอำนาจอะไรที่แท้จริงมันหรอกทีนี้ว่าพระอริยะทั้งหลายเนี่ยท่านจะพิจารณาอะไรทั้งหมดที่คล้อยต่อความจริงอันนะั้นคล้อยต่อความไม่จริงที่ไม่เที่ยงคล้อยต่อความไม่จริงที่เป็นทุกคล้อยความเป็นจริงที่เป็นอนัตตาคือท่านเห็นให้สอดคล้องคล้อยต่อความเป็นจริงที่ไม่เทียยมมเท่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตาท่านจะไม่ฝืนแต่คนที่ไม่ได้อบรมอนุปัสนาทั้งหลาย ผู้ที่ไม่เจริญสัมมาทิฏฐิไม่เจริญอนุปัสนาไม่เจริญปัญญาไม่เจริญมัดทั้งหลายผู้นี้ฝืนความเป็นจริงฝืนว่ามันน่าจะเที่ยงมันน่าจะสุขน่าจะมีอัตตาน่าจะไปมีผู้มีอำนาจอะไรที่แท้จริงในสิ่งนั้นก็ก็คือแต่ทีนี้ว่าเราเราพูดถึงอนุปัสนาทั้งหลายเนี่ยถามว่าถ้าอยู่ในมงคลอย่างที่เราสวดเมื่อกี้อยู่มงคลข้อไหน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 แต่ถ้าอย่างนี้มันก็เลยทงแล้วนะแสดงว่าผิดพลาดมหาศาลแล้วเพราะฉะนั้นทานก็ไม่ต้องให้อะไรซีนก็ไม่ต้องรักษาเพราะฉะนั้นจะครบกับใครมันก็ไม่เที่ยงเพราะฉะนั้นพันมันดิตแยกไม่เป็นซากอย่างเลยนะกลายเป็นว่าเรากับพระพุทธเจ้าก็เสมอกันหมดแล้วถ้าใครยังนี้ก็นี่ก็กโอ๊ยอะไรจะขนาดนั้นเนาะสาธุบุญใดที่ทํามาก็าให้ห่างคนประเภทนั้นให้มากๆเออเนี่ยนะ่บุญกุศลที่กล่ า, าวธรรมะก็ให้ห่างคนประเภทนี้ให้ห่างฮา อยู่คนละอะไรนะอยู่คนละฟากโลกได้ดีที่สุดนะทำไมเขาบอกว่าโลกกลมๆนี่เราก็อยู่คนละข้างเลยนะให้มันเดินตรงกันข้ามตลอดเลยยจะให้มันใกล้กันได้เด็ดขาดเลยนะในการเจริญ อ, น, อนุปัสนาทั้งหลายการเจริญวิปัสสนาทั้งหลายเพื่อให้เห็นอริยสัจจะทำก็เหมือนกันจะต้องมงคลอย่างอื่นๆรองรับในตัวอีกสามสิบกว่ามงคลจะต้องเป็นคนที่มีมงคลอยู่ในตัวเองประมาณสามสิบมงคลจึงจะเจริญอย่างนี้ได้ แต่ถ้าอัปปงคนในตัวนะวิชาพวกนี้มันจะเป็นดาบสองคมกลับมาฆ่าตัวเองทันทีเลยเพราะดีไม่ดีก็จะกลายเป็นมิจฉาทิฏฐิกลายเป็นคนที่ทำลายคำสอนโดยไม่รู้ตัวเลยเนี่ยนะนนถ้าศึกษาอนิจจานุปัสสนาทุกขานุปัสสนาอนัตตานุปัสสนาบอกถามว่าใครเป็นคนทำลายบอกว่าคนที่ว่านี่แหละเป็นคนทาลายเพราะอะไรเพราะเข้าใจคำสอนอย่างผิดพลาดเนี่ยนะหนักๆเขาก็ไม่มีความเคารพอะไร คณะพุทธค า, า, าวตาธรรมะค า, าวตาสังฆคารวตาเป็นต้นก็ไม่มีเนี่ยนะนั่ น, ะ น, นก็อันนั้นก็เป็นความเสียหายที่อยากจะขับกล่าวเน้นนะว่ามันจําเป็นจริงๆถ้าศึกษาผิดพลาดก็กลายเป็นพวกปล่อยปละละเลยเนี่ยนะไม่ใช่ปล่อยว่ า, าปล่อยแบบต่างธรรมะเนี่ยนะที่พุทธพจน์บอกว่าทำทั้งพวงไม่ควรยึดมั่นไม่ควรจะยึดนะว่ามันจะเที่ยงไม่ควรยึดว่ามันจะสุขไม่ควรยึดว่าจะเป็นอัตตาเป็นต้นเนี่ยนะ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 ไม่ประมาทที่จะรีบภาพเพียงพยายามให้เห็นอริยสัตว์เนี่ยนะกล่าวว่ายิ่งไม่ประมาทขึ้นเท่านั้นยิ่งเป็นคนที่ไม่ปล่อยปละละเลยมีความระมัด ร, ระวังส้ำรวมอย่างเต็มที่ก็ดูว่าคนที่มีความรู้จริงเท่าพระพุทธเจ้าเนี่ยท่า น, นําตัวยังไงเนี่ยนะคนที่มาตรฐานที่สุดเลยอย่างเช่นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะรู้จริงๆแล้วก็ทํำยังไงแต่ถ้ารู้ผิดรู้พลาดรู้ไม่ถูกเนี่ยทําตัวเละเทะเลยเนี่ยนะกลายเป็นว่าเสียหาย ย้อนอีกมาทีหนึ่งนะถ้าหาว่าเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นเจริญอนิจจานุปัสนามากทุกขานุปัสนามากอนัตฐานุปัสนามากไม่มีเครื่องหมายว่าเที่ยงไม่มีเครื่องหมายว่าเป็นสุขไม่มีเครื่องหมายใดๆว่ามันจะเป็นอัตตาในรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาจะมีรูปใดน่าเพลิดเพลินบ้างไหมยอย่างที่สูตรที่สาธยายกาันบ่อยๆเมื่อเห็นตามเป็นจริงย่อมเบืออเบ่อหน่ายนะย่อมเบื่อหน่าย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 ไม่ใช่ยังไม่ใช่ถึงกระดับมัคอะไรนถ้าเป็นเมื่อเบือนายย่อมคลายกำหนัดถ้าที่อื่นเนี่ยเป็นมัคแต่ว่าวิราคะตรงนี้ก็คือละราคะนั่นเองนะละละอะไรละตันหาละฉันทราคะในสิ่งนั้นนี่ น, นะแล้วก็ขยานุปัสนาเนี่ย น, นะขยานุปัสนาก็คืออะไรเห็นโดยละคณะสัญญาละความสำคัญว่าเป็นกลุ่มเป็นก้อนนี่ น, นะละความเป็นกลุ่มเป็นก้อน นิโรธานุปัสนาเนี่ยนะก็ละสมุทัยเนี่ยนะละการอะละการสร้างขึ้นเนี่ยนะละความอะไรนะถามว่าจริงๆกาต้องการสร้างขึ้นมาอีกไหมนะอะไรนะแบบคร่ว่าโรคมะเร็งเนี่ยนะเออผ่าตัดก้อนนี้ออกไปแล้วขอก้อนใหม่ขึ้นมาอีกไหมต้องการสร้างขึ้นมาอีกไหมฉันใดสมุทัยก็ฉันนั้นถ้าเห็นความดับเท่าไรนะนะั้นนอนไปเพื่อเห็นความดับก็ไม่ต้องการสร้างกองทุกข์ขึ้นมา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 ปัญหาอภินิเวะการยึดถือด้วยทิฏฐิเป็นต้นก็จะไม่มีเนี่ยนะก็ไม่ได้ถือสังขารทั้งหลายว่าเป็นสาระอะไรจะไม่ละความยึดถือว่าสังขารเนี่ยเป็นสาระละสมโมหาอภินิเวศก็คือละสำเนี่ยแปลว่าพร้อมโมหะก็โงโงโง่หลงอภินิเวสศลาความยึดถือละความยึดถือด้วยความงมงายลุ่มหลงแบบเรียกว่าลุ่มหลงงมงายเป็นต้นถูกขจัดออกไป แล้วก็ละอารยาพินิเวสะอารยาก็คืออาไลเขาเรียกว่าตักอาลัยอาวใน <c oughs> ในอุปาทานขันอปฏิสังขาก็คือไม่พิจารณาก็มีการพิจารณาอย่างรอบครอบละสังโยคาพินิเวสะการสังโยคเนี่แปลว่าการประกอบนะอภินิเวสาก็คือการยึดถือยึดถือไว้ด้วยการประกอบแบบเรียกใช่ไหมเออนะถ้าเป็นเครื่องยนต์นกลไกเขาบอกไข่น็อตวิสเดียย่ำมหมดเลยนี่ก็รื้อออกหมด เนี่ยถ้าเป็นถ้าเจริญตามนี้ได้อย่างสมบูรณ์เนี่ยนะอนุปัสนาสัมมาทิฏฐิที่บริบูรณ์อนุปัสนาก็คื อ, อมัคคามคคายานัทสนวิสุทธิปฏิปตายานทัทสนวิสุทธิถ้าวิสุทธิเหล่านี้บริบูรณ์อินทรียห้าเหล่าอื่นก็เจริญมาเป็นอย่างดีแล้วก็เป็นปัจจัยแก่โสดาปฏิมคก็ละกิเลสที่เกิดร่วมกับมิจฉาทิฏฐิได้เนี่ยนะทีนี้ถ้าอันนี้ก็เป็นทัศน์นามัคที่เห็น อริยสัจเนี่ยนะเมื่อล ะ, อะกิเลสเหล่านี้ได้ก็เจริญอริยมรรดับสูงละอะไรเจริญสกทาคามีมรรละกามราฆาปฏิฆาอย่างยาบ์นะเจริญอนาคามีมรรละกามราคาปฏิฆาอย่างละเอียดละกิเลสที่เหลือด้วย <c oughs> อรหัตตมรรทั้งหลายเพราะกุศลธรรมเหล่าเนี้ยอินทรีย์เนี่ยทํากิ่ร่วมกันแล้วก็การปฏิบัติกุศลธรรมเนี่ยต้องเป็นตายอย่าง เหมาะสมและสม่ำเสมอไม่ก้าวล่วงการเจริญกุศลธรรมเนี่ยนะนำเป็นภาระนำเป็นธุระในการเจริญกุศลธรรมเหล่าเนี้ยเรียกว่านำความเพียรอันสมควรแก่ธรรมนั้นนะเรียกว่าใส่ใจ <c oughs> ดูแลเป็นภาระธรรมธุระได้อย่างสมบูรณ์เต็มที่แล้วก็เจริญเป็นอย่างมากเลยนะเจริญเป็นอย่างมากอันนี้ก็เรียกว่าภาวนาหรืออีกในหนึ่งเรียกว่าภาวนาเก้ามันใครที่รอบรู้ในเรื่องรูปก็เรียกว่าภาวนาเหมือนกัน รูปังปัสสันโตเนี่ยนะเห็นรูปเห็นเนี่ยเป็นชื่อของอนุปัสนาะนะปัสสันโตเนี่ยก็คือปัสนานั่นแหละอันเดียวกันก็คือปัญญาที่เห็นรูปนี่แหละปัญญาอนั้นชื่อว่าภาวนาปัญญาที่เห็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอ่ะนะตาตากับรูปหูเสียงเป็นต้นเนี่ยก็คือวิจัยวิปัสนาภูมิทั้งหมดการพิจารณารอบรู้ในวิปัสนาภูมิตัวปัญญาตัวนั้นก็เรียกว่าภาวนาเนี่ยนะเรียกว่าภาวนา ชื่อว่ายานพระรู้ธรรมนั้นนะนะชื่อว่าปัญญาพราะรู้ชัดเพราะฉะนั้นทำปัญญาที่ทรงกรรมทำที่ได้ฟังมาแล้วว่าธรรมะเหล่านี้ควรจเจริญธรรมะเหล่านี้ที่ควรจเจริญทวนอีกครั้งคืออะไรควรจเจริญอันนั้นก็คืออย่างทั่วในครั้งทำหนึ่งคว ร, ควรจเจริญคือกายยัคตาสติสรคตด้วยความสําราญทำสองที่ควรเจริญคือสมถาวิปัสนาทำสามที่ควรเจริญคือสมาธิสามทำสี่ทีท่ควรเจริญคือ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 สามารถเป็นบาทฐานแห่งการปฏิบัติต่อไปปัญญานี้ชื่อว่าสุตะมยญาญาว่าปัญญาที่ทรงจรทมที่ฟังมาแล้วว่าธรรมเหล่านี้ควรเจริญชื่อว่าสุตะมยญาญานเนี่ยนะมันก็ปฏิสัมพิธาสุตมยญาญาก็ใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้